พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่ า, านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20่สิกรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าอดอาหารแล้วดูใจตนวันนี้ลงมาชั้น37 งดฉันสิบอ็ดไม่ฉัน11เอ็ดองค์หลวงพ่อเองก็พยายามบอกฝึกคล้ายๆว่าการอดอาหารเนี่ยไม่ใช่บังคับและไม่ได้ใช่ขอร้องอะไรทั้งหมดเพียงแต่ให้พระผู้ที่เขามาศึกษาทดลองดูทดลองความอดทนดู ต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีธุระการงานหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องจัดที่จะต้องทำอาจจะมีบางทีเดินทางไกลรถมันเสียอย่างเงี้ยจะต้องได้ใช้ความอดทนเป็นบางครั้งแต่เพื่อถึงวันนั้นเราก็จะดนึกย้อนมาถึงสมัยเมื่อเราบวช เออเมื่อเราบวชเราอดอาหารสองสามสี่ห้าวันเราไม่ได้ฉันมีแต่ฉันน้ำเราก็ยังอยู่ได้อันนี้เราเพียงมื้อเดียวอีกไม่นานเราก็จะได้กินได้ทานอาหารแล้วความอดทนก็จะย้อนกลับมาถึงวันที่เราบวชเพราะการอดทนในการอดอาหารจะมีประโยชน์ทั้ง ชีวิตของเราและการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมตามที่ได้เคยปฏิบัติมาตั้งแต่หลวงพ่อปฏิบัติมาหลวงพ่อเคยไหมหลุงพ่อเคยเป็นธรรมดาเลยอดอาหารถ้าจะมองดูรูปของหลวงพ่อที่ติด อ, อยนั้นอ่ะสมัยมาสร้างวัดในเด้วยก่อนหน้านี้หลวงพ่อตัวผอมมาก ก็อดทหารบ่อยบางทีก็อด7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างแต่ทุกทงพออดนานที่สุดก็คือ25วันแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะยี่สวันอดนานที่สุดในครั้งนั้นจากนั้นก็ไม่เคยอดนานกว่านั้นอีกอดเพียง5วัน10วันแล้วก็ชันรู้แต่หลวงพ่อเองก็เคย บอกมากระทั่งบอกมาทุกคนทุกรุ่นว่าการอดอาหารอย่าไปตั้งสัจจะเนี่ยเวลาอดอาหารข้าเพเจ้าจะอดอาหารจะภาวนาตั้งใจงตั้งใจภาวนาคือสัจจะให้มีให้มีว่าข้าเพเจ้าจะมีสติสัมปชัญญะจะไม่ให้ขาดในขณะที่อดอาหารเนี่ย ตั้งแต่วันอดอาหารตั้งแต่เริ่มแต่เมื่อวานน่ะจะอดวันนี้แต่เมื่อวานเราคิดเราว่าจะอดอาหารแล้วคืนนี้ก็เราพยายามบังคับตัวเองให้อยู่บังคับสติให้อยู่กับตัวเองให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่ตลอดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเราอยู่ในอกับอากับกิริยาใด ในการเป็นอยู่ใดการเคลื่อนไหวใดให้มีสติจากนั้นก็ดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะว่ากำหนดก่อว่าหรือว่าจะว่าดูเฉยๆก็ว่าสรุปแล้วคือให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจให้ตั้งใจดูไม่ให้ขาดสติดูที่ลมหายใจเข้าออก อันนี้ก็คือให้มีสัจจกตัวนี้ถ้ามันเผลอไปถ้าต้องดึงกลับถ้ามันเผลอไปดึงกลับทางเรานั่งให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราเดินให้อยู่ที่ขาก้าขาขาขวาพุทธขาซ้ายโถ เ, เวลาเราปัดกวาด เ, เรากวเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถ เ, เวลาเราเดินไปที่ไหน มีสติพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดไม่ให้มันเผลออันนี้แหละคือให้มีสัจจะตัวนี้แต่การอดอาหารนั้นอย่าไปตั้งสัจจะว่าข้าพรเจ้าจะอดอาหารสองวันสามวันเจ็ดวันแปดวันอย่าไปตั้งสัจจะตัวนั้นเพราะสุขภาพของเราบางทีมันอาจจะปันป่วนร่างกายของเรามันอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้อง ออกมาฉันในเมื่อมันได้เวลาแต่ว่าสติของเราเนี่ยอันนั้นให้มีสัจสัจะถ้าเราไม่มีสัจจะตัวนี้เนี่ยแล้วมันจะเออละเหยลอยลงไปเรื่อยคิดปื้อเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยไเพราะการอดอาหารเนี่ยเป็นช่วงที่ธาตุธาตุขันเบาถ้ามันเบาเบางคนก็ลอย S <S <an> บางคนก็มีสติบางคนเวลาอดอาหารเข้าไปในสติมันจะแน่นขึ้นผิดปกติเวลานั่งภาวนาที่ไหนจะไม่หลับไม่งกไม่ง่วงเพราะว่าอาหารไม่มีอยู่ในท้องถ้าเราฉันอาหารมากๆฉันอาหารเต็มที่ความงกง่วงมันจะมีพอนั่งภานวนามันจะอยากจะหลับเพราะเหตุใดเพราะว่าอาหารอยู่ในท้องของเรามี อิ่มมิทานอนแต่ถ้าเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องเวลานั่งภาวนาจะภาวนาดีอันนี้คือผู้ที่ถูกกับจริตนะแต่ผู้ที่ไม่ถูกกับจริตพออดอาหารเข้าไปไม่ถูกกับจริตงุ่นง่านไปหมดคิดอะไรไม่ออกอันนั้นเราก็ทดลองดูการอดนอนดูซิ ฉันน้อฉันตามปกติแต่จะไปฉันมากจากนั้นเราก็อดนอนการอดนอนเป็นยังไงไม่นอนภาวนาถือเดีชิจอย่างเนี้ยสรุปแล้วก็คือให้หาหาช่องทางสาหรับตนเองไม่ใช่ว่าเราจะทาเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นได้ผลไม่ได้ผลเราก็ทำอยู่อย่างนั้น อันนั้นแปลว่าผู้ไม่ผู้ไม่เสาะแสวงไม่หาทางมันก็ได้เพียงอย่างเก่าไม่เจริญเหมือนกับคนสแสวงหาทรัพย์ถ้าตัวเองหาอย่างนี้ดูแล้วมันไม่รวยเราต้องเพิ่มความขยันขึ้นไปอีกเราจะหายัางไงใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบขึ้นไปอีกมันรั่วไหลที่ตรงไหนทำยังไงรจรึงจะ มีเงินพอกพอกพูนขึ้นเราจะหาช่องทางไหนที่มาเพิ่มเติมเรามีช่องทางไหมที่มันดีกว่านี้อันนี้เลยคนหาทรัพย์ภายนอกก็ยังใช้สติใช้ปัญญาหาทรัพย์ภายในที่จะมาเพิ่มพูนเข้าสู่ตันเองจะทําแบบโงโงโงงเซ่อเซซื้อบื้อไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่า น, นที่พูด ให้ฟังนี่ยก็คือให้สังเกตตัวเองเวลานั่งภาวนาเวลาเดินในอริยบทจะทำยังไงใจของเรามันมันไม่อยู่กับตัวใจมันคิดปุงฟุ้งออกไปตลอดจะทำยังไงจะบังคับด้วยวิธีอย่างไรจะดูใจอย่างไรจะเอาให้มันอยู่กับกรรมฐานไหนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโธ แต่องหลวงตามหาบัวท่านให้ผูกกับพุทธโธให้บริกรรมพุทธโธด้วย่ถ้าเอาว่ากาหนดลมหายลมเข้าลมออกเฉยๆมันดุดได้ง่ายเพราะนั้นต้องเอาผูกไว้กับพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทในก้าวเดินเวลานั่งนั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนั้นคือการภาวนา แล้วชีวิตประจำวันของพวกเรานะพระใหม่ชีวิตของประจำวันก็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเข้ามาอาทิตย์สองอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่วัดตั้งแต่เป็นนาคหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เป็นพระกรบวชหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็สองอาทิตย์ล่ะสองอาทิตย์ถ้าเข้านับวันนี้เขาด้วยก็เป็นยี่สิบวันอะยี่สิบกว่าวัน นิดๆนะบางน้าก็กว่าบางพระใหม่ก็กว่าบางบางพระใหม่ก็ไม่ถึงตพึ่งเขามารัตรัตสุดท้ายแต่ชีวิตประจําวันของพวกเราขอพกพอจะเรียนรู้อย่างนี้แหละชีวิตแต่บางพระบางองค์ก็มองมองดูแล้วชีวิตของพระนี่น่าเบื่อ เพราะแต่ละวันก็ไม่มีอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็มาศาลาจากนั้นก็ปัดกวาดทําความสะอาดจากนั้นก็ไปบินธบาทบินทบาทกลับมาก็บินธบาทฉันจัดอาหารฉันฉันก็ล้างบาทพอล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความสะอาดที่ศาลาภูมีหน้าที่จากนั้นก็กลับกุฏิพักผ่อนทำอัธยาศัยเดินยจะทําความสะอาดซับ ที่บอรหรือทําความสะอาดกุฏิตัวเองจากนั้นก็นเดินยังกรมนั่งภาวนาบ่ายสองโมงก็ลงมาฉันน้ําปาณนะโดยฉันน้ารวมกันถ้าองค์ไหนต้องการฉันบ่ายสามก็ปัดกวาดพร้อมกันบ่ายสามปัดกวาดจากนั้นก็ทําความสะอาดบริวเวณศาลาศาลาจัดเตรียมวันพุ่งนี้ พอเสร็จแล้วก็กลับกุฏิสงน้ําแล้วก็เข้าเดินยงกรมดูพักพอรอนตามอัตยาศัยจะอ่านหนังสือในช่วงนั้นก็ได้นั่งภาวนาแต่ให้เดินยงกรมเสร็จแล้วก่อตอนค่ําขึ้นไปไหว้พระทําวัดเกณฑนตามลําพังพอตามลําพังเสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาพอนั่งภาวนามันยังไม่สงบเอาลงไปจุดเทียนเดินยงกรม จุดเทียนเดินนุงกมพอเดินยุงกลมกลับขึ้นมาอีกแววไอ้พระน้อยจากนั้นก็นั่งภาวนานั่งภาวนาฟังให้อยู่นานที่จุดเท่าที่จะนานได้จากนั้นสี่สี่ห้าทุ่มเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มล้วก็พักพรอพักพรเสร็จแล้วก็ประมาณตีสามตีสามกว่าๆได้ตีสามเริ่มเริ่มลุก ลูกคุณมาก็ไหว้พระทำวัดเช้าย่อหรือพิชดารจากนั้นก็นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเสร็จแล้วก็มันง่วงง่วงเอาลงเดินยังกลมพอเดินยังกลมก็ประมาณตีห้าก็กว่าหรือว่าตีห้าแล้วก็มาศาลาจัดที่นั่งชั้นอันนี้คือชีวิตประจําวันของของพระในวัดของเราแต่วัด ดูดูแล้วทําอย่างนี้ทุกวันมันน่าเบื่อพะพอกิเลสมันพาเบื่อไม่ใช่ทำพาเบื่อกิเลสมันพาเบื่อและอะไรคือของใหม่ฮะของใหม่คือจุดใหญ่หรือว่าจุดที่เราต้องการที่หลวงพ่อต้องการที่หลวงพ่อเสี่ยมสอนที่หลวงพ่อให้พระใหม่สังเกตให้พระใหม่ปฏิบัติให้พระใหม่ะ มุ่งมั่นให้ผู้ภาใหม่ตั้งใจมันไม่ใช่ดูกิจวัตรประจำวันอันนี้เคืองเพียงชีวิตประจำวันของพระแต่จุดมุ่งหมายที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเวลาเรามาฉันยางหันเสร็จแล้วกลับไปกุฏิรีบมีอะไรกระทำธุรกิจเมื่อเสร็จแล้วดงเตือนยังกลมดงยังกรมกำหนดภาวนา อย่าให้จิตใจออกไปข้างนอกอย่าให้จิตใจปุงฟุ้งสัน่นให้ดูใจของตนเองนี่แหละเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทำหรือว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้พวกเราภาวนากำหนดดูใจใจตัวนี้แหละใจตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวการใหญ่ มนโนภุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจเราร้องให้ทุกโศกหัวเราะชอบใจมีแต่ใจเท่านั้นมันเรื่องมันออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเวลาบวชขาวนี้เราเข้ามาดูใจดูความรู้สึก ดูความนึกคิดดูอารมณ์ดีใจเสียใจทุกข์ใจนี่แหละแต่ี้เรามานั่งเราจะจับใจได้ยังไงทีนี้ถ้าเรากำหนดดูแะใจของเรานะ่ะมันบ็อกแฟสิ้งกว่าลิงอีกที่เราเห็นลูกลิงลูกเด็กลูกเ็กนั้นใจของเราเนี่ยกว่านั้นอีกถ้าเรามีสตินะแล้วเราจะทำยังไงจึงจะจับให้มันนิ่งเออ ให้ลิงนิ่งนั่งภาวนาหลับตาไม่ให้มันกระดุกกระดิกเลยแล้วจะทำยังไงนี่แหละจุดนี้แหละจุดที่มุ่งหวังมุ่งมุ่งหมา ย, mm hmm. เ, ยเมื่อฉันจะหานเสร็จแล้วเข้าไปนั่งกัดสมาธิทำกายให้ตรงจากนั้นก็นดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านในพูดในพระไตรปิฎกพระในครั้งพุทธกาลเป็นยางน้น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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้แหละคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูใจไงดูการเคลื่อนไหวของใจจากนั้นทําใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบ ร, รวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ให้พักในสมาธิให้รู้ทางเข้าออกของสมาธิเข้ายัางไง ออกอยังไงถอนอยังไงเข้ายัางไงออกอยังไงถอนอยังไงในการสมาธิจากนั้นเราก็นกําจิตที่สงบผ่านความสงบนั้นนํามาพิจารณาหาเหตุผลอันนี้เราเดินวิปัสสนาอันนั้นคือสมัตคือทำใจให้สงบนั่นคือสมัตจะอยู่สมัะอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ผลต้องเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาคือกาหนดหรือว่า ดูกายของเราเอาสติดูดูกายของเรามองดูกายของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อันนี้คือกรรมฐานห้าเกษาผมโลมาขนหนาคาเล็บทันตาปันตะโจหนังถึงหนังหยุดไว้ก่อนเพราะมีเวลาน้อยจะอธิบายมากมันจะยาวนานทีนี้เรามากำหนดดู เมื่อจิตของเราสงบแล้วนะผ่านความสงบแล้วนำนำนำมาพิจารณาร่างกายหนังถ้าคนเรามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบใช่ไหมที่นั่งอยู่ด้วยกันถ้าถลกหนังออกล่ะเหมือนเราทนกเหมือนเห็นเหมือนเขาตลกหนังวัวหนังควายหมูหมา ก, กาไก่ถลกหนังออกไปไงมนุษย์ตัวแดงเถือกไปหมดน่าดูไหมหาความสวยงามได้ไหมร่างกาย ไม่ได้เพราะเหตุไดเพราะมันงามเพราะหนังเองดูแล้วผุดผ่าสวยงามเพราะหนังฮะแต่เมื่อเราถนกหลกหนังออกไปแล้วเป็นยังไงร่รางกายของมนุษย์หาความสวยงามไม่ได้เนี่ยให้พิจารณาดูนะร่างกายนี่ยถ้าดูตามความเป็นจริงแนละ้วต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือหนังจากนั้นเราก็พิจารณาคนผมผมของเร า, าเกิดอยู่ในที่ศีรษะของเราเป็นยังไง แต่เมื่อผมอยู่ในสภาพก็ว่าผมสวยแต่เมื่อถอนผมออกไปแล้วผมนั้นถ้ามันตกลงในพื้นดินหรือตกในใส่ในอาหารของเราเราว่าสวยไหยขยะเราน่าขยะขยะแข็งมากเพยาะอะไรเพราะผมมันหลุดออกจากศาีรษะนี่แหละผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันถ้ามลุดออกมาแล้วเป็นยังไงหนังก นี่แหละให้ให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าวิาปัสสนนึกนึกคิดดูด้วยความรู้เลือตามความเป็นจริงในเมื่อเราพิจารณาเห็นตามเมื่อคันกลองหรือว่าพิจารณาตามแนวความคิดอย่างนี้แล้วนะพิจารณาพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนกลับไปกลับมา เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาในเมื่อเราพิจารณาทีะในเมื่อเห็นอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อเรามีสมาธิในการดูอยู่ตลอดใจของเราไม่คิดไปทางอื่นเห็นในร่างกายจากนั้นหยั่งลึกเข้าไปใงกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ในร่างกายของเรามีไหมมีนี่แหละร่างกายของเรามีอวัยวะ32อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มีเลือดมีเศรษฐมีปุจจละมีปัสสวะอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มีเนี่แหละอันนี้คือหเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็ดูว่าร่างกายของมนุษย์นี่มันเป็นสภาพเช่นนี้ อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกจะต้องตายจะต้องสลายดูสู่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมใช่ไหมใจใช่เมันจงยอมรับไปทีละน้อยละน้อยจากนั้นเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไใจของเราก็ไม่รู้จะยึดอะไรเพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วขนาดร่างกายของเราเราก็เห็นอย่างนี้แล้วแล้วเราจะไปยึด ร่างกายอื่นว่าเป็นของเราอย่าไปยึดแป้ว่าสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของเราอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยจะไปยึดวัดที่กว้างๆหรือศาลาอะไรข้อตามที่ก่อสร้างขึ้นมาว่าเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่ออินเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลวงพ่ออินกระสายหัวเหมือนกันไม่ใช่เราก็นัดร่างกายของหลวงพ่ออินแท้ก็ยังเป็นอย่างนั้นจะไปหายึดของภายนอก สิ่งที่มาเกี่ยวข้องว่าเป็นของหลวงพ่ออินได้ยังไงฮะหลวงพ่ออินคนระับหลวงพ่ออินก็สอนเขามาหาใจแต่ยนะใจคือตัวผู้รู้นั่นนะนะที่ว่ามโนปุพังเขามาธรรมานั่นนะนะอย่างที่ว่าดูที่ใจเมื่อเขามาดูที่ใจแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจของเรานี่แหละ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือภาษาใจที่พูดให้ฟังนี่คือภาษาใจของตนเองไม่ใช่ภาษาพร่มแต่ถ้าว่าเมื่อเขาจําเป็นมีความจําเป็นจะต้องพูดให้ฟังเพื่อการศึกษาหลวงพ่อจะต้องพูดให้ฟังอย่างพูดให้ฟังเดียวนี่แหละแต่ว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วนามาคิดกันกรองไตรตรอง ด้วยปัญญาของเราเป็นภาษาใจของตนเองนี่นำมาคิดใช่ไหมสรุปแล้วก็คือพิจารณากายพิจารณาสิ่งภายนอกก็ย้อนเข้ามาหาตัวใจตัวผู้รู้คือมโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นั่นแหละเขามาหาตัวใหญ่น่ะคือตัวหัวตัวใจน่ะตัวนึกคิดตัวปรงแต่งนั่นน่ะตัวนั่นล่ะตัวนี่จะเป็นหลงกิเลสมันอยู่ในนี้อ่ สมุทัยมันอยู่ในนี้มรรคมันอยู่ในนี้มันรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งกิเลสโลภโกรธลงอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่เราจะคัดเลือกอยังไงเราจะสรรยังไงความโง่ความฉลาดมันอยู่ในใจทั้งหมดทำมาบางครั้งที่มันไม่รู้มันก็งโง่ถ้ามันรู้แล้วมันก็ฉลาดฉลาดก็มีหลายระดับอีกความฉลาดของใจความโง่ของใจก็มีหลายระดับอีกเพราะนั้นเราจะเอาอะไร พระพุทธเจ้าสติปัญญาสติคือความระลึกได้สติสัมปชัญญะนะดูที่ใจถ้าคนมีสติแล้วจะมองเห็นและปัญญาคลี่คลายกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลในเมื่อมีมหาสติมหาปัญญาพร้อมกับความภาคเพียรพยายามจะดูจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นใจของเราอีกสักวันหนึ่งเมื่อถึงจุดที่เราจะต้องรู้นะ มันก็จะปล่อยปล่อยวางที่ใจปล่อยวางลงที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละทีนี้มรรคผลนิพพานพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์ไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจพร ะ, พระัญญาโกนทัญญาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทำมาจากกระพระวตนะสูตรนะทำมาจากกระพระวิวตนะสูตร พระพุทธองค์ตรัสว so ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาจากนั้นพญญากลอนทะยักก็ได้รู้ได้ดวงดวงตาเห็นธรรมถ้าเรามาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเราก็ต้องว่าเป็นอนิจจังไม่ใช่หรอมันดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วคนเราเกิดขึ้นแล้วตายนะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วมันขอไม่เที่ยงนะ เห็นไหมสิ hmm? ่งที alphabet, ่มันเที Three ่ยงแท้ถ้าวบอลร่างกายไหนเมื่อเที่ยงเทเที่ยงแท้ถาวบอลมีไหมดูซิมีไหมเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเห็นอันิจังพระอญญาโกนัญญาเห็นอันิีจังจากนั้นจิตใจของท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจนได้สำเร็จพระโสดาบันจากนั้นก็เทศอนัตตลกนสูตรเข้าไปอีกปัญจวกีทั้งห้า ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันนี่แหละอันนี้คือให้พวกเราท่านทั้งหลายทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่อยู่อื่นไกลเพราะฉะนั้นพวกพระที่เขามาศึกษาเขามาศึกษาคือให้รู้จักจุดหมายปลายทางที่เราทําทุกวันทุกวันนี้นหะคืออันนี้เป็นเครื่องอยู่ของเราของร่างกายแต่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นที่จุด ประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดประสงค์ของการบวชในการปฏิบัติเนี่ยเนี่ยที่หลวงพ่อรับไว้ให้พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่มารับมาให้อยู่ให้กินให้หลับให้นอนให้พูดให้คุยให้อยู่กันรั่วเละไม่ได้นะต้องให้ดูที่ใจนี่แหละคือการศึกษาพอฉันจังหันเสียแล้วก็ไปเดินอย่างกลเดินยองกลวดดูภาวนาดูที่ใจ นั่นหลักคือหลักหลักที่จุดประสงค์ของหลวงพ่อที่รับพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาเราไม่ได้รับมาเพื่ออย่างอื่นเพื่อศึกษาเรื่องจิตตวิญญาณเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องทางพ้นทุกข์ถ้าเราพิจารณายอย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันนี้หลวงพ่อสอนเป็นเบื้องต้นเพราะว่าพวกท่านทั้งหลาย เข้ามาแล้วไม่รู้จักวิธีการเดินเดิ น, เ, ดนเบื้องต้นเดอนอย่างไรในหลวงพ่อแนะนำเบื้องต้นให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเดินตามแนวแถวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอ น, นี้คือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์จุดใหญ่ที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุสงฆ์นะเอวตอนนี้ไปรับพรโนโมธนาให้พร พวกนกกระลางมันล่องแข่งหวงพ่อลนะ